มือใหม่หัดสมาธิสมาธิเป็นกิริยาของจิตเมื่อเรากำหนดจิตสติรู้จิตจะบริกรรมภาวนาอะไรก็ได้เราจะยืนเดินนั่งนอนได้ชื่อว่าปฏิบัติสมาธิทั้งนั้นถ้านั่งขัดสมาธิมันลำบากเก้าอี้นวมตัวใดที่มันสบายๆนั่งเลยไม่ต้องไปกำหนดจิตไว้ตรงไหนเอาสติตัวเดียวรู้จิตเอาไว้เฉยๆ มันจะอยู่ที่ไหนก็ช่างมันสติกับจิตเนี่ยพยายามอย่าให้มันพรากจากกันที่กำหนดสติเอาจิตไว้ตรงนั้นเอาจิตไว้ตรงนี้อันนี้เป็นสมาธิแบบบาเพ็ญฌานสมาบัติแต่ก็เป็นอุบายปฏิบัติเหมือนกันถ้าหากใครคล่องตัวในการปฏิบัติอย่างนั้นก็อเอามาใช้ก็ได้พระพุทธเจ้าท่านก็อาศัยธรรมชาติลมหายใจเป็นธรรมชาติของกาย พระองค์ก็กำหนดสติรู้ลมหายใจช่วงใดที่จิตของพระองค์อยู่กับลมหายใจพระองค์ก็ปล่อยให้อยู่ถ้ามันว่างพระองค์ปล่อยให้ว่างถ้าจิตคิดพระองค์ปล่อยให้คิดเพราะความคิดเป็นธรรมชาติของจิตเพียงแต่มีสติประคับประคองรู้จิตของเราอยู่ตลอดเวลาสมาธินี่เป็นหลักธรรมกลาง ไม่ได้สังกัดในลัทธิและศาสนาใดๆทั้งสิ้นหลวงพ่อไปเทศในค่ายทหารพอเทศจบจ่ากแก่ๆคนนึงพูดว่าผมก็อยากปฏิบัติสมาธิแต่มันแบกปืนไม่ลงบ่าอาวคุณแบกปืนอยู่คุณอยากปฏิบัติสมาธิมันจะไปยากอะไรขณะที่คุณแบกปืนอยู่คุณก็กำหนดสิกำหนดจิตของคุณถอดชิ้นส่วนของปืนออกมาทีละชิ้นทีละชิ้น พอถอดออกมาหมดแล้วกำหนดจิตทำความสะอาดมันเสด้วยพอทาสะอาดเสร็จแล้วก็กำหนดจิตประกอบให้มันเป็นรังปืนตามเดิมพอประกอบเสร็จคุณก็กำหนดจิตว่าจะบรรจุกระสุนมันอย่างไรจะเล็งศูนย์มันอย่างไรมันจึงจะยิงแม่นมันก็เป็นอารมณ์สมาธิทั้งนั้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อพูดถึงวิธีปฏิบัติสมาธิเนี่ยพูดขึ้นมาทีไรแล้วชาวบ้านก็หัวเราะ การทำการพูดการคิดถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือการปฏิบัติสมาธิ